โอ้หมู่วันฟ้าฝนลงแรงมากเลยฟ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งฟ้าผ่าฟังๆดูแล้วมันไม่หนีออกจากบริเวณวัดของเราและวันนี้เป็นวันที่เจพฤษภาคมพุทธศักราช 2,555 หเมื่อวานวันที่6ตอนเย็นเรามอบรถ แอมโบเรนต์ให้แก่โรงพยาบาล น, น้ำสมมอบทีน้าสาราของเราเนี่ยราคาล้านแปดบริษัทโตโยต้าอุดรของเราเนี่ยแหละมาสม่งแล้วก็มอบให้โรงพยาบาล น, น้ำสมเจ้าภาพมาจากกรุงเทพมาถวายลักษณะนั้น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 เข้าไปสู่โรงพยาบาลศูนย์อุดรแล้วว่าลดจำนวนราคาล้านแปดนะแต่ปีที่แล้วเดือนล้านเจกว่ากว่าแต่ปีนี้มันขึ้นมาอีกแต่เขาก็บอกว่าเขาเพิ่มอะไรบางตัวที่เขาพูดนะจะเพิ่มเลยเพิ่มหลวงพ่อไม่รู้เหมือนกันนะเอาว่าเพิ่มก็เพิ่มเมื่อวานก็หมอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต, ตกตอนเย็น ฝน ล, ลงเมื่อวานเนี่ยฟ้าลงอย่างแรงอีกแต่มันไม่หนีออกจากวัดเรานีมันโบนอยู่ในวัดเราเพราะว่าวัดเรามันมีต้นไม้ใหญ่เด็กกัเปี๊ยกตอนนั้นกับเปี๊ยกเด็กนงพ่อก็เป็นห่วงสถานีวิทยุเหมือนกันแต่พระท่านก็รักษาสถานีวิทยุของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะพอมืดคืนมาเสียงเฮือดท่านก็ต้องขึ้นไปปิดสถานีวิทยุปิดไฟปิดอะไรทุกอย่างคันองคันเอา เรลงหมดเพราะว่ามันเคยฟ้าลงที่สถานีของเราหลายครั้งบางครั้งก็เสียหายมากบางครั้งก็เสียหายน้อยเพราะมันเสาเสาไฟฟ้าเส า, า, า, าวิทยุมันสูงนะ่ะมันเป็นเหล็กอีกต่างหากไฟฟ้าฟ้ามันก็ต้องชอบลงที่นั่นอนภาต้องรักษาแต่ก็ไม่เป็นไรแต่มันลงแถวแถวศาลาเนียสิกุฏิหลวงพ่อก็ไฟดับเหมือนกันนะ แถบแถบนะั่นะข้างๆเสียงดังเมื่อคืนหลายครั้งอีกต่างหากนานอีกต่างหากฟ้าร้องอยู่ในดงไม่เหมือนอยู่กลางท้องนานะถ้าฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่กลางท้องนาเนี่มันดังแหบๆมันดังเสียงไม่ไหมฮะาจางๆปังลักษณะอย่างนั้นแต่มันดังอยู่ในกลางตรงไม่ใช่ดังอย่างนั้นนะยดังดังเหมือนกับฟ้าถล่มแล้ว ดังกล้องคือเดินเดินเหมือนกับมันกล้องอยู่ในดงหลวงพ่อยังคิดโอ้ฟ้าในน่ากลัวนะถ้าใครก็ตามได้สาบดสาบานไว้ระวังกันแล้วกันนะครับพวกผู้เฒ่าผู้แก่คงจะรู้จักมันสาบดสาบานไว้ใครสาบดสาบานไว้ระวังกันแล้วกันฟ้าจะลงเนี่ยแล้วเราอยู่ใต้ฟ้าแล้วจะทํำยังไง ถึงจะกลัวก็อยู่อยู่ใต้ฟ้าอย่างเก่าอยู่ใต้ฟ้าใต้ฝนถ้าไม่มีบาปมีกรรมจริงๆหรือไม่ผิดธรรมชาติจริงๆแล้วว่าบางคนมันก็อย่างว่าตายเพราะฟ้าก็มีเหมือนกันแต่มันก็เป็นส่วนน้อยแต่จะว่าไม่มี เ, เลยมันก็ไม่ได้มีอยู่ตายฟ้าผ่ามันก็แปลกเหมือนกันน่ อาจจะเป็นบาปกรรมหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะจะบังเอิญก็ได้ถ้าว่าในครั้งพุทธเจ้าหรือพระพุทธองค์พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่หรือพระอรหรันตแต่สาวกาท่านรู้ท่านก็คงจะบอกเออกรรมเก่ากรรมเก่าเคยทากรรมมาเคยทำารทํารายสัตว์มาก่อนอย่างแพตัวหนึ่ง ทิศประโมกอาจารย์ทำพรีกรรมจะตัดคอแพะคอแกะก็แกะค อ, อแพะเป็นการทำบุญกาทำบุญจะทำบุญจะฆ่าแกะแต่ในลูกน้องก็เอาไปเอาไปก็จะไปตัดคอมันเพื่อชำละเนื้อมาในหละมาในงานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตาย ก ว, ว่าแกะตอนนั้นมันหัวเราะไนงะมันหัวเราะอมันพูดเป็นภาษาคนมันหัวเราะด้วยลูกน้องก็เลยถามม่าทําไมแกะทําไมถึงหัวเราะแกะบอกว่าให้พาไปหาทิศปะมโมตอาจารย์ก่อนจะพูดให้ฟังแกะเขาก็เลยพามาหาทิศปะมโมกอาจารย์พวกอาจารย์ถามว่าไปทําไมแกะทําไมถึงเขาจะตัดคออยู่แล้วทําไมจึงหัวเราะแกะตอนนั้นก็บอกว่า ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าแล้วที่จะต้องถูกตัดคอเป็นชาติที่ร้อยร้อยชาติเป็นชาติที่ร้อยที่ถูกตัดคออยู่อย่างนี้พราะชาติก่อนๆ ก, ก่อนหน้านี้ที่ข้าพเจ้าจะถูกตัดคอเลยเป็นอย่างทิศสะปะโมกอาจารย์ข้าเคยเป็นทิศสะปะโมกอาจารย์สอนลูกศิษย์เหมือนกับท่านทีละข้าอยากจะทําบุญอุทิศ เออต่อผู้มีอุปกรณคุณคือพ่อแม่ข้าไปเจ้าก็เลยสั่งให้ลูกน้องฆ่าแกะเพื่อทำบุญจากนั้นมาข้าไปเจ้าจึงถูกตัดคอมาตลอดถึงร้อยชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของข้าเพราะนั้นข้าจึงเออหัวเราะหัวเราะเลยร้องไห้ร้องไห้ต้อง ห, หัวเราะทั้งสองอย่าง วอร์รอนะคือข้าดีใจข้าดีใจว่าข้าจะได้พ้นละพ้นจากกรรมที่ที่ทำกรรมไว้ที่ร้องไห้เพราะอะไรเพราะสงสารทิศปะโมกจะต้องรับกรรมอีกต่อไปเหมือนกับข้าที่รับกรรมมาแล้วแพะมันบอกอย่างนั้นพออาจารย์ได้ยินทิศปะโมกได้ยินโอ้ยข้าไม่ทําแล้วไม่เอาละกลัวบาปกรรมเลเอาปล่อยปลยปล่อยปล่อ ย, ปอ ย, ปอยไป ถ้าปล่อยไปแกตัว น, นั้นก็บอกว่าถึงท่านจะปล่อยไปก็าตามแต่ข้าพเจ้าโคงจะไม่พ้นกรรมที่ได้กระทำไว้ในอดีตถึงจ่นจะไม่ฆ่าข้าพเจ้าก็าาามีอันจะเป็นไปในวันนี้ทิศศปหมกมีลุกชิ์มากใช่ั้ยเอ้ยสู่เจ้าต้องอย่าให้ขาดสายตานะดูแลแกะตัวนี้ให้ดี มันไปนสถานที่ใดห้ามใครก็ามากล่มกายเข้ามาใกล้สุจ้าตองปกป้องรักษานะ อ, อย่าให้มันตายเพราะถูกคนฆ่าถูกตัดคอที่ว่าแกะทนี้มันบอกว่าบาปกรรมเนี่ยสุจริตองรักษาให้ดีติดสับประมกสั่งลูกน้องลูกน้องจับแปลว่าไม่คาดสายตาอะไรพวนกแก่ท่านั้นนะแต่แทัานแก่ตัวนั้นมันก็ หากินตามภาษาของสัตว์ปีนป่ายขึ้นไปขึ้นไปในก้อนหินไปขึ้นไปในก้อนหินไปหากินเถาวันเป็นหากินหญ้าที่มันพันก้อนหินอยู่อยู่ที่เนิ น, นฟ้าฝนนี่แหละอย่างที่เมื่อคืนเนี่ยนะมันไม่มีเมฆมีหมอกอะไรมากมายเลยมันเปี้ยงป้างมาก็บทราเปี้ยงลงไปแกะตอนนั้นก็เลยแพ้ตอนนั้นก็คอขาดก็เลยตาย ทิฏฐ์ปามกเกิดความสลดสังเวชใจใหญ่เนดะบาปกรรมมันมีจริงๆริงในวาจากน่านก็นเลยอก อ, กอกไปบวดปืนลือสีดูในป่ารนะักษาศีลภาวนาต่อไปอแปลว่าเห็นโทษในการเวียนไหวตายเกิดไม่ทำบาปทำกรรมอันนี้คื อ, คอมาในพระไตรปิฎกนะที่ท่านพูดไว้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 คิดขึ้นมาก็คิดชั่วนะคิดอยากจะฆ่าเขาพระลักษมก็ไปหาปืนมาแล้วก็ไปยิงเขาเข้าเลยพอยิงเขาเขาเ้เเข า, เขาแล้วยังสัมทับเขาอีกโดยวาจาอีกฆ่าเจ็บใจมานมนั้นแล้วมาประสบความสําเร็จในวันนี้เองฮใจก็คิดมาพอแรงใช่ไหมแล้วก็ไปแ ส, สวงหาอาวุธเอแล้วก็พูดสัมทับอีกสรุปเลยไนอะ้ทั้งใจทั้งกายทั้งวาจาเนะ ทำกรรมกรรมชั่วทั้งสามอย่างท้งใจคคิดไว้ก่อนแล้ววางแผนทางกายนไปหาประกอบสัตร์อาวุธเข้ามาทางวาจาเนี่ก็นพูดสำทับไปอีกเพื่อความให้ฉะใจแล้วทีนี้ที่ทำลงไปแล้วมันไม่จบเพียงแค่นั้นในทำในปัจจุบันแล้ว เ, เมื่อทำในเดี๋ยวนี้ ในอีกอนาคตนาทีต่อไปนะชั่วโมงต่อไปวันต่อไปเดือนต่อไปปีต่อไปอยู่ยากแล้วไนปะเพราะเหตุไรเพราะว่าตัวเองทำกรรมไม่ดีเอาไว้กรรมตอนนี้มันจะตามตเรือใครเป็นคนทำทำไว้ที่ไหนจากนั้นจะตำรวจบงังผูกเกี่ยวข้องบงังสืบสอบพาเลย รู้ว่าเป็นใครเ่ตัวเองก็อยู่ลําบากลเลยเพอเพอเลยฆ่าตัวเองตายก็มีเพื่อหนีโทษที่พวกเราได้ยินได้เห็นจากนั้นก็หนีหัวสุกหัวซูลไม่รู้หนีไปไหนก็าไม่รู้เออจะอยู่ดีกินดีอยู่ดีมีสุขคงไม่มีทางะคนหนีทุกหนีโทษหนีคุกหนีตารางถึงจะฉุกอย่างไรเมื่อก็มีทุกขอยู่ในใจนะตะกิตตะขวงมีทุกอยู่ในใจอยู่ตลอด พราะอไรเพรใจหรือนึกทำกรรมขึ้นมานึกทำกรรมขึ้นมาแล้วกัอย่างประกอบทางกายออแล้วก็ฉใ จ, ใจทางวาจานะอันนี้คือปัจจุบันได้รับปัจจุบันนักรรมการกระทําในปัจจุบันแต่อนาคตกรรมอีกเลเมื่อตายไปแล้วในหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเมื่อวิญญาณดวงนั้นตายไปแล้ว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 อย่างแข็งขันใส่ให้ถึงจะอยู่ในห้องก็ยังใส่ชั่วตวนไว้อยู่เราไม่ได้ปล่อยพอออกมาเลยก็ใส่โั่ตัวยังไว้แล้วนายคุมยังเอามือคล้องแขนทั้งสองข้างอีกทั้งที่ใส่ชั่วตัวแล้วยังแน่นหนาแล้วนายคุมยังเอามือคล้องแขนอีกเยังมีอาวุธหน้าอาวุธหลังอีกฮนี่แหละนักโทษหนักอันนี้ก็คือบาปกรรมหนักกับลักษณะอย่างา น, นเหมือนกัน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 ในหลักของพุทธศาสนาเน่ยพระพุทธเจา้าบอมาเกิดเป็นคนอีกกรรมตอนนั้นมันยังให้ผลอยู่นะยังตามให้ผลเป็นละหลอกละลอกอยู่ตลอดเพราะมันยังไม่หมดกรรมอย่างพระโมคคัลลานเมื่อท่านฆ่าพ่อแม่ท่านท่านก็ตกนรกเอเวจีพอพ้นจากนรกมาแล้วกั น, นี้นะี่ยมาถูกฆ่าอีกพอถูกฆ่าเนี่ยเกิดไปอีกชาติหน้าอีกเกิดที่ถูกฆ่าอีกเลย อย่างแกะหรือแพะตัวนั้นนเมื่อท่านทำตตัวนั้นลงไปท่านก็ไปตกนรกก่อนไปเข้าคุกก่อนออกจากพ้นจากคุกมาแล้วก็อเออเป็นนักโทษอยู่แต่เป็นนักโทษชั้นดีแต่ก็ให้ใช้กรรมกรรมที่ได้กระทำไว้นี่แหละหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวโดยท่าแสดงไว้ในทาคำสอนสิ่งเหล่านี้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 มันเป็นทางกุศลหรือทางอ ก, กุศลเป็นทางสัมมาทิฏฐิหรือมิจฉาทิฐิเป็นทางเห็นชอบหรือความเห็นผิดไม่มีใครจะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราทีนมองก็ไปหาตัวเองะมองมาหาเจ้าของแต่ถ้ามองไปหาคนอื่นไม่มีที่สิ้นสุดคนน้า น, น่าจะดีคนนั้นผิดคนนั้นไม่ดีคนนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้คนนี้น่าจะเอามลายาตอย่างนู้นอย่างนี้มันมองไป แต่ถ้ามองมาหาตัวเองเ่ข้าเนี่ยควรจะเป็นอย่างไรข้าควรจะทำอย่างไรข้าควรจะคิดอย่างไรข้าควรจะพูดอย่างไรเนี่ยให้มองตัวเองถ้ามองตัวเองแล้วเออเอาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทนี่เข้ามาสอนมองตัวเองแล้วเอาทำคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องพาดาเนินพระพุทธเจ้าสอนอย่างไร พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนอย่างไรพระพุทธเจ้าสอนให้คิดอย่างไรถ้าเราเอาคนอื่นมาเป็นตัวอย่างถ้าเราไปเห็นนักโทษฆ่าคนาเราเอามาเราก็คิดแบบนักโทษหรือทำแบบนักโทษฆ่าคนแะพูดแบบคนนักโทษโมโหโธโซเราก็เป็นมิจฉาทิฐิอีกเหมือนกันถึงจะมองเห็นกายเห็นใจเห็นกายเห็นวาจาของตัวเองก็จริงอยู่แต่เรามันเป็นคิดไปนในทางมิจฉาทิฐิ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 พูากด้ากเกณ์ไม่ได้อย่าพูดอันนี้พระพุทธเจ้าห้ามการกระทําอย่าฆ่าสัตว์อย่าขโมยทรัยยพย์อย่าประพฤติผิดในกรรมให้ครบรสสามีภรรยาคนอื่นเขาอย่าไปกินเหล้าอย่าไปดื่มสุราอันนี้ก็คือการกระทําทางกายส่วนใจนั้นทำยังไงประทับทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกกล่าวยังไงเรื่องใจอย่าโลภอย่าได้ของเขา อย่าพยาบาทปองร้ายเขาเอออย่าเห็นผิดจากทานองครองทำอย่าไปเห็นว่าความชั่วนะอย่าว่ามันดีนะความดีอย่าไปคิดว่ามันชั่วนะชั่วคือชั่วดีคือดีไฟคือไฟน้ำคือน้ำเน อ, อน้ำก็คือน้ำไฟก็คือไฟน้ำร้อนหรือน้ำเย็นไฟอะไรสิ่งเหล่าน้ก็คือแนวความคิดคือกรรมคือการกระทาเหมือนกันการกระทาทาได้สามทาง มโนกรรมคือทางใจกายกรรมคือการกระทําฟรีกรรมคือการพูดเ น, น, นี่ยเพราะนั้นถ้าเรารู้แปลงแห่งกรรมต้นตอแห่งกรรมรากเงาแห่งกรรมเราก็ต้องดูที่ใจชําระใจเอาธรรมะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาสมาธิเข้าไปเมื่อนั่งสมาธิจิตใจเขาสู่ความสงบเป็นหนึ่งเราจะมองเห็นใจ ใจของเรามันไปทางไหนเนีมันไปทางกิเลสราคะความรักความไข่หรือไม่หรือว่าเป็นเกียรตโทสะเห็นอะไรฉุนเฉียวโมโหโกธาไปหมดอย่างนั้นใช่ไหมและเห็นกิเลสโมหะด้วยกิเลสโลภะเห็นอะไรมิแต่อยากอยากอยากยากตลอดอย่างนั้นใช่ไหมเนี่ยจนออกนอกลุงนอกทางจนไม่มีศีลมีธรรมอย่างนั้นใช่ไหมถ้าใจของเราเข้าสู่ความสงบใจดูตนเองใจดูใจ มองเจ้าของนะดูเจ้าของนะถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วนะเราจะมองได้จะแยกแยะออกอันไหนควรไม่ควรอย่างไรนะแต่ถ้าว่าเรามองไม่เห็นตัวเองใจของเรายังไม่เป็นสมาธิเรียว่ามองหาใจยังไม่เจอแล้วนะมันจับประเด็นไม่ได้มอนกันนะมันจับประเด็นไม่ได้ เ, นนะ เ, ด, ด, เดี๋ยวก็จับไปจับมาตะคุบไปตะคุบมาหลงตัวเองอีกต่างหากท่ น, นะอันรับพรอนะุ โ, นโมทนาให้พร